และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถาเพิ่มเติม 02-592-1933 วิทยุราชมงคลธัญ บ, บุรี am, a i r f อ m มแเมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการมุมมองข่าววันนี้ดิฉันรรดรนิสสากรนไพบุญศินมาพบกับคุณผู้ฟังทาง fm 8 9 5 MHz เดนะคะในช่วงรายการมุมมองข่าวก็จะเป็นเรื่องราวของการเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจค่ะ วันนี้นะคะก็นําเอาเรื่องราวของการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาฝากกันนะคะเนื่องจากว่ามีรายงานข่าวนะคะได้รายงานว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่บริโภคบะหมีกม่กึ่งสําเร็จรูปต่อหัวมากที่สุดในโลกนะคะเนื่องจากว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนี้นะคะเป็นอาหารที่เรียกว่าอาชาติในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบ้านเราหรือจะเป็นเอเชียนะคะทางญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ในจีนนี่นะคะก็<ๆ>จะ นิยมบริโภคบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของการบริโภคบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปนะคะในทวีปเอเชียกันค่ะช่วงมองรอบด้านคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงมุมมองข่าวช่วงแรกนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการบริโภคบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะ ซึ่งสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกนี้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าในปี2018ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกมีมูลค่าถึง 4.22 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 1.3 ล้านล้านบาทนะคะเรียกได้ว่าสูงมากๆเลยนะคะและคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีกนะคะเกือบ 5% ค่ะซึ่งก็จะมีรายได้อยู่ที่ 57.5 ล้่นล้านเหรียญสหรัฐในปี2024 แต่ขนาดเดียวกันนะคะรายงานของสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกบอกว่าจำนวนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ถูกเสิร์ฟทั่วโลกมีทั้งหมด104 0 0 0ล้านถ้วยในปีที่ผ่านมาค่ะฟังแล้วเหนื่อยเลยนะคะ104 0 0 0ล้านถ้วยพบว่าอยู่ในประเทศจีนและฮ่องกองนะคะ 40,000 ล้านถ้วยค่ะและตามมาอันดับที่สก็คืออินโดนีเซียอันดับที่สามคืออินเดียค่ะ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่9นะคะของการสํารวจทั้งหมดนะคะหวว่าคุณผู้ฟังจะคิดว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ประเทศไทยก็บริโภคบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปเช่นกันนะคะโดยจํานวนบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปที่ถูกเสิร์ฟนี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3,460 ล้านถ้วยในปีที่แล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะก็มีการระบุออกมานะคะว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่บริโภควัมมี่กึ่งสําเร็จรูปต่อหัวมากที่สุดในโลกเฉลี่ยแล้วต่อคนต่อปีคืออยู่ที่76ซองค่ะสําหรับประเทศไทยนะคะก็อยู่ในอันดับที่5ที่มีการบริโภคต่อคนต่อปีอยู่ที่49ซองค่ะต่อคนเราทานเยอะนขนาดนั้นเลยเหรอคะ49ซองนะคะแต่ถ้าเทียบค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่บริโภค มะมีกึ่งสําเร็จรูปนี่นะคะคุณผู้ฟังก็จะอยู่ที่13ซองต่อคนต่อปอีก็ยังชื่วนิดนึ่งนะคะอย่างน้อยอย่างน้อยก็ทานเดือนละหซองนะคะอยู่ที่13ซองต่อคนต่อปีเท่านั้นคุณผู้ฟังคะเรื่องของมะมีกึ่งสําเร็จรูปนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงคิดว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะหลายๆคนก็คงจะเดากันไปแน่นอนที่สุดอะคะ่ะก็จะต้องมีส่วนถูกนะคะก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน่น โดยนายฮันโดโมโมฟูกุซึ่งเป็นประธานก่อตั้งบริษัทนิตชินเป็นผู้คิดค้นขึ้นนะคะในปี2 5งพซึ่งเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนก็ประสบภาวะข้าวยากหมากแพงกระทรวงสาธรารณสุขของญี่ปุ่นก็แนะนําให้ชาวญี่ปุ่นกินขนมปังที่ทําจากข้าวสาลีเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาแต่นายอันโดกลับคิดว่าทําไมชาวญี่ปุ่นต้องกินขนมปังทงั้งๆ ท, ที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกับการกินบะหมีม่หรือราเมิง ดังนั้นเขาจึงทดลองทำบะหมี่ที่ใครๆทำกินเองก็ได้สะดวกแล้วก็ราคาถูกหลังจากที่ลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือนนะคะนายอันโดคิดค้นบามีกึ่งสำเร็จรูปได้เป็นครั้งแรกตอนนั้นเขาอยู่อายุ48ปีนะคะคุณผู้ฟังโดยชื่อบะหมี่ของเขาก็คือชิคกินราเม็งก็คือเป็นการนำเส้นราเม็งที่ได้จากการผสมกับน้ำซุปกระดุกไก่มาทอดในน้มันปาล์มเพื่อไล่ความชื้นออกไปและสามารถเก็บไว้ได้นานคะ่ะ แค่เพียงเติมน้ำร้อนเส้นก็จะคืนสภาพเดิมและกินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแต่ปัจจุบันชิกกินรามงก็ยังคงเป็นรถที่ขายดีและคงความอร่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะจากปี2501มาถึง2507ในอันโดก็ก่อตั้งสมาคมศาสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและเขาก็ได้เป็นประธานสมาคมผู้ผลิตรามงนานาชาติในก่อตั้งพิพิธภัณฑ์รามงสาเร็จรูปโมโมฟกุอันโด และกิจการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้รับการต้อนรับค่ะต่อมานะคะเมื่อเข า, าไปที่ประเทศอเมริกานะคะเพราะว่าเขาขยายกลุ่มผู้บริโภคไปต่างประเทศใช่ไหมคะและเขาก็สังเกตนะคะเห็นว่าชาวอเมริกันเนี่ยมักจะหักบะหมี่ออกเป็นสองท่อนแล้วใส่ในถ้วยก่อนจะเติมน้าร้อนตามไปแล้วก็ใช้ซ่อมแทนตะเกียบจึงทำให้เขาเกิดปิ๊งไอเดียนะคะผลิตบะหมี่ในชามขึ้นมาค่ะ โดยใช้ถ้วยโฟมบรรจุบะหมี่ออกวางขายหลังจากนั้นก็เปลี่ยนรูปแบบจากซองมาเป็นบะหมี่ถ้วยหรือว่าคัพเมนหรือว่าคัพนูดเดิลของนิตชินนั่นเองค่ะตามประวัตินะคะก็บอกว่าตอนแรกบะหมี่ถ้วยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันมากนักล่ะคะ่ะแต่ต่อมานี่นะคะ ก็มีภาพของคนกําลังกินคับนูดเดินนะคะในช่วงอากาศหนาวนะคะเพราะว่าในอากาศหนาวเนี่ยข้าวกล่องหรือเบนโตะเนี่ยนะคะจะทานไม่ได้เพราะว่าแข็งดังนั้นนะคะเมื่ออากาศหนาวคนก็เอาน้ําร้อนมาเติมเข้าไปในขับนูดเดินใช่ไหมคะก็จึงทําให้ภาพนั้นเนี่ยคนก็ติดตาแล้วก็เกิดการกินบะหมี่ขับนูดเดินในวงกว้างและแพร่หลายไปทั่วโลกนั่นเองค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็เข้ามาในปี2514หรือ2515ระหว่างนั้นนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อแรกในประเทศไทยนะคะทายสิคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรถ้าเป็นคนรุ่นนั้นๆก็คงจะจําได้นะคะนั่นคือบะหมี่ซันวาบะหมี่ซันวามีต้นแบบมาจากบะหมี่ญี่ปุ่นที่ต้องต้มก่อนกินนะคะจากนั้นก็ตามมาด้วยยี่ห้อยำยำไวไวมาม่าในเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่คนไทยนิยมเรียกว่ามาม่านะคะซึ่งก็เป็นเจเนอริกเน e ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นชื่อสามัญที่คนไทยในปัจจุบันเรียกใช้ว่ามีกึ่งสำเร็จรูปว่ามาม่าเหมือนกับที่เราเรียกองซักฟอกว่าแฟบนั่นเองค่ะเมื่อมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะจึงกลายเป็นบะหมี่หรือเป็นอาหารนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอมตะนะคะในหลายประเทศนะคะบางครั้งนี้นะคะเรานึกไม่ออกว่าเราจะทานอะไรนะคะ ก็เอามามีเกิ่งสำเร็จรูปแล้วกันนะะเตินมัร้อนก็ทานได้นะคะเพราะว่าราคาถูกรวดเร็วแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะก็จึงเป็นอาหารที่คนนิยมกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะแต่คุณฟังทราบไหมคะว่าบะหมี่เกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไหนอร่อยมากที่สุดนะคะดิฉันไม่ได้ทำการสำรวจเองนะคะแต่เว็บไซต์ The Ramen Letter เป็นผู้ทาแบบสารวจนี้ขึ้นมานะคะในปี2019นนะคะว่าคนทั่วโลกกัน นิยมทานบะหมี่อะไรนะคะจัดอันดับ10อันดับคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าไม่มีไม่มีของจากประเทศไทยเลยค่ะไม่มียำ ย, ำยำไวัไวัยมามา่าเลยนะคะแต่นะคะเป็นการสำรวจทั่วโลกนะคะก็ถือเป็นบะหมี่นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างเช่นนะคะอันดับที่10นะคะเป็นอินโดมีอินโดมีนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยเห็นนะคะตามร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งเป็นของประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นซองเล็กๆสีแดงๆนะคะ วางขายอยู่นี่ก็ได้รับความนิยมนะคะในอันดับที่10สําหรับอันดับที่9นะคะก็มาจากประเทศฮ่องกงค่ะอันดับที่8นะคะก็จะเป็นไต้หวันอันดับที่7ก็จะอยู่ที่มาเลเซียอันดับที่6กนะคะก็จะอยู่ที่ประเทศสิงค โ, ครโปร์อันดับที่หนะคะเป็นของประเทศมาเลเซียนะคะเป็นเหมือนกับบะหมี่ที่เป็นแกงแกงนะคะเคอรี่ลักซา อันดับที่สนะคะก็จะเป็นประเทศไต้หวันนะคะอันดับที่สก็จะเป็นประเทศจีนอันดับที่สองก็จะเป็นประเทศมาเลเซียนะคะส่วนอันดับหนึ่งที่คนนิยมบริโภคมากที่สุดนะคะก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะที่เราเรียกว่าเป็นโฮเกนนะคะหลักซานะคะก็คล้ายๆเป็นบะหมี่แกงนะคะรสชาติดีอร่อยเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นบะหมี่ที่ได้รับความนิยมสิบอันดับที่จัดโดยดลเมงเลตเตอร์นะคะเป็นผู้ทํา ผลการสํารวจนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือจะไปจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศรัสเซียหรือแม้แต่ประเทศทางยุโรปนะคะตอนนี้ก็มีมามีเกลื่อนสำเร็จรูปวางขายนะคะคุณผู้ฟังก็ลองซื้อมาชิมนะคะทีฉันว่ารสชาตินี่อร่อยนะคะแทบทุกประเทศเลยจนไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้เลยะคะ่ะว่ า, ารสชาติ ของใครอร่อยกว่าใครนะคะเพราะว่าในเรื่องของอรสชาตินี้นะคะแต่และคนก็จะชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปเรื่องของไก่ทอดคะ่ะ ใครสักคนได้บอกฉันมาว่าเวลาใครทำกับเราให้เจ็บช้ำใจลองไปเกลีก่อนหินขึ้นมาสักอัน จะจับมือใช่ไหมไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอในเท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร เพียงเธอจับมันโยนให้ไกลสาตาหรือเธอปลาบถนะจะเก็บมันไว้หากยังย อ, งอยังแบกไปหัวใจของเธอก็ต้องสัน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 Back r o u n ที่เขาทำรายเพราะใจเธอ รอบด้านคุณฟังคะเข้าสู่ช่องที่2ของรายการนะคะเรียนให้คุณฟังังแต่แรกแล้วว่าจะพาคุณผู้ฟังไปที่ร้านไก่ทอดร้านไก่ทอดชื่อดังของโลกแน่นอนนะคะทุกคนก็ต้องคิดถึง KFC ตอนนี้นะคะ KFC ก็ได้มีไก่ทอดมังสวิรัตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะโดยจะเป็นไก่ทอดที่ทำจากพืชทั้งหมดคะ่ะซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท Beyond Meat ซึ่งเป็น f o o d เทตาร์ท สัญชาติอเมริกันนะคะก็มีการจําหน่ายนะคะอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองแอตแลนตาซึ่เป็นเมืองหลวงของรัฐจอร์เ จ, เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ะยุทธ์การตลาดนะคะที่เป็นวีแกนนะคะ เ, เรียกได้ว่าเป็นมังสวิรัตนี่นะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากนะคะเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปก็คือรักสุขภาพมากขึ้นแล้วก็นิยมทานอาหารมังสวิรัตมากขึ้นนะคะดังนั้นไก่ทอดวีแกน ก็จึงถูกจับตามองนะคะในตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะว่าคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทานไก่ทอดพวกอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก นายเควินโคชแมนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย KFC ตลาดสหรัฐอเมริกาก็บอกว่า KFC พยายามจับตลาดมังสวิรัตมานานตั้งแต่ปี2018นะคะและตั้งเป้าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะในช่วงต้นปีนี้แต่ก็ติดปัญหาที่ว่ารสชาติยังไม่ได้มาตรฐานค่ะแต่ตอนนี้นี่นะคะรสชาติได้มาตรฐานแล้วก็ได้จำหน่ายไปแล้วนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจึงนะคะจะหาหรือกับซัพพลายเออร์รายใหญ่ค่ะว่าจะ ขยายตลาดไก่ทอดวีแกนเนี่ยไปยังเมืองอื่นๆทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะขยายต่อไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีนตอนนี้ KFC อยู่ที่ 27% ของยอดขายทั้งหมดส่วนตลาดสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 17% ค่ะและสำหรับไ ต, ตรมาสแรกนะคะของธุรกิจ KFC ก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดของอเมริกาคือชิคฟิล l A ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วนะคะก็ยังสร้างความได้เปรียบให้กับ KFC เพราะว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและทั่วถึงเพราะว่าเขามีสาขามากกว่า KFC นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามบริษัทมียอนมีทนะคะก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในตลาดหุ้นมากเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ประกาศขายหุ้นต่อสาธรารณชนในการทําไก่ทอดแบบมังสวิรัตใช่ไหมคะก็ได้รับความนิยมก็มีคนซื้อหุ้นของเขาเนี่ค่อนข้างมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่า ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุคนทุนโลกก็หันม า, ารักตัวเองรักสุขภาพมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของเ f c ซีในตลาดสหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะตอนนี้ที่สหรประชาชาตินะคะได้มีการแนะนำนะคะให้คนเนี่ยมารับประทานกันนะคะนั่นก็คืออะไรสรางไหมคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือการบริโภคแมลงคะ่ะ สหประชาชาตินะคะโดยรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ fao ได้ระบุว่าทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารก็คือการส่งเสริมการบริโภคแมลงเพราะว่าวัฒนธรรมการบริโภคแมลงปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วโลกค่ะมีคนเกือบ2ล้านคนปัจจุบันบริโภคแมลงกว่า 1,900 สายพันธุ์โดยเฉพาะนะคะคนที่อยู่ในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาค่ะ มแมลงได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารค่ะ FAO ชี้ว่ามแมลงมีสารอาหารที่ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์และปลาได้ใช้ทรัพยากรในการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงน้อยกว่าสัตว์อื่นซินเอ็นรายงานว่าตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในการใช้มแมลงเป็นวัตถุดิบในการผลิต อ, อาหารก็คือกูเม่กรุ๊ปในเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใตา้ โดยจำหน่ายไอศครีมที่ใช้วัตถุ ด, ดิบจากมแมลงในการผลิตด้วยการใช้เอ t นโทมิลที่มีลักษณะคล้ายนมแต่ผลิตจากหนอนเสือดำหรือหนอนมแมลงวันลายโดยนำมาผลิตเป็นไอศครีมหลักรสชาติค่ะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกรูเมะกรุ๊ปนางริยาเบส่าบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนภาพจำที่ไม่ดีของผู้คนที่มีต่อมแมลงด้วยการนามันมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร โดยในตอนแรกเราคาดว่าจะถูกกระแสตีกลับแต่ผู้คนกลับให้ความสนใจมากกว่าที่คิดค่ะเป็นไอศครีมนะคะที่ทำจากนอนมแมลงวันลายนะคะแล้วก็เนื้อครีมนี้นะคะก็ไม่ต่างจากไอศครีมที่ผลิตจากนมค่ะแล้วก็ยังมีโปรโตีนสูงกว่านมวัวถึงห้าเท่า มีไขมันดีมีสังกสีมีเหล็กมีแคลเซียมสูงด้วยและที่สำคัญนะคะปราศจากน้ำตาลเลกโทสและกลูเตนที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในบางคนด้วยค่ะเบสซ่าบอกว่าการทำฟาร์มแมลงสำหรับอุตสาหการรมอาหารสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มแมลงไม่ต้องการพื้นที่กว้างไม่ใช้น้าอาหารในการเลี้ยงมากนักจึงทาให้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยหรือแทบไม่มีเลย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมอื่นๆนะคะและที่สำคัญการเลี้ยงมแมลงยังช่วยย่อยสลายขยะได้อีกด้วยค่ะปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอาหารที่ผลิตจากมแมลงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Entomo Farm ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตมแมลงอบแห้งบรรจุขายภายใต้แบรนด์ Buck Bistro ในสหรัฐอเมริกาหรือ รา้านเทลเยราพารนะคะของฝรั่งเศสที่ขายพาสต้าที่ทำจากแป้งผสมตะ ก, กะแตนและจิ้งหลีดในขณะที่ประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้านะคะไทยมีแบรนด์ Thailand u n นิที่ส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงทั้งแมลงอบแห้งขนมหวานและวอดก้าค่ะ ปัจจุบันที่ทางการตลาดบริโภคแมลงกำลังขยายตัวอย่างมากนะคะและผลการวิจัยของ Metlukas Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดของอินเดียชี้ว่าในปี2023ตลาดมแมลงกินได้ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนี่ก็ถือเป็นอาชีพใหม่นะคะซึ่งคนไทยนะคะหากว่านะคะมีไอเดียนะคะความคิดปิงปังนะสามารถที่จะทาฟาร์มแมลงได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ อีกข่าวหนึ่งค่ะสหรประชาชาติเช่นกันนะคะได้จัดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกโดยนะคะฟินแลนด์นะคะก็ได้ครองอันดับหนึ่งติดต่อกันค่ะในขณะที่ประเทศเซา์ูดานก็เต็มไปด้วยสงครามจึงอยู่ในอันดับที่สุดท้ายสหรประชาชาติจัดทำรายงานโดยมีการสอบถามประชาชนใน156ประเทศทั่วโลกะะพบว่าพวกเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตของตนเองอย่างไร นอกจากนี้ยังนำมาผสมผสานกับข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุของคนรายได้เฉลีย่ยและการให้การสนับสนุนด้านสังคมค่ะผลการวิจัยสรุปว่าชาวฟินแลนด์ถือเป็นชาติที่มีความสุขมากที่สุดในโลกขนาดเดียวกันนะคะในประเทศแถบนอร์ดิกนี่นะคะก็คือฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นี่นะคะ เป็นประเทศที่เขามีความรักในป่าไม้ทะเลสาบและการสาวน้าค่ะจึงถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่พลเมืองมีความสุขที่สุดในโลกค่ะส่วนประเทศที่ผู้คนไม่มีความสุขเลยคือประเทศเซา์ูดานนะคะเพราะว่าผู้คนในประเทศกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารเพราะว่ามีสงครามกลางเมืองยืดเยื้อยาวนานและมีคนเสียชีวิตไปเกือบ4ี่แ 0,000 คน นอกจากนี้นะคะประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามอย่างต่อเนื่องเช่นเยเมนอัฟกานิสถานนะคะก็อยู่ในอันดับท้ายๆเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นรายงานในเรื่องของประเทศที่มีความสุขที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ได้มีโครงการให้กับคนไร้บ้านนะคะโดยได้นําเอารถเมย์นะคะมาเป็นที่พักของคนไร้บ้านเพราะว่าคนไร้บ้านในกรุงลอนดอนนะคะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ปัจจุบันนะคะเพิ่มสูงขึ้นถึง18เซนสาเหตุที่สำคัญก็มาจากค่าเช่าที่พักอาศัยนะคะส่วนบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นการเรียกร้องรับสวัสดิการที่ไม่ได้รับการตอบสนองและอาคารส่งค้อที่ราคาต่ำก็ไม่เพียงพอสำหรับผู้มีรายได้น้อยค่ะ ดังนั้นนี้นะคะก็จึงเกิดการนำเอารถเมย์นี่นะคะของ b u f f l ร h o m e l e s s นะคะมาเป็นที่พักของคนไร้บ้านนะคะหลายๆคนบอกว่ารถเมย์ที่พักมีความสะดวกสบายมีที่นอนมิดชิดมีความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยต่อการเก็บทรัพย์สินค่ะเพราะว่าการนอนในที่สาธารณะนี้อาจจะถูกการขโมยเครื่องใช้ส่วนตัวได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคนไร้บ้านที่เข้าพักในรถเม์นี้นะคะคุณฟังก็จะได้รับการฝึกทักษะการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการประกอบอาหารการใช้ปโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานไปจนถึงการเวิร์กช็อปนำเสนองานด้วยค่ะเรียกได้ว่าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนะคะให้กับผู้ที่พักในรถเม์เรียกได้ว่าบั f f ฟล์โฮม e ลสนี้นะคะก็มุ่งหวังให้คนไร้บ้านได้รับ โอกาสนะคะในการที่จะประกอบอาชีพมากขึ้นนะคะแล้วนะคะการนำเอารถเมเกา4คันมานำร่องโครงการนี้นี่นะคะก็ได้รับการบริจาคจากบริษัทขนส่งสเตทโคชนะคะแล้วก็เขามีความคิดว่ารถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยถูกทิ้งอย่างไรประโยชน์นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษในกรุงลอนดอนด้วยดังนั้นจึง ได้นำมาทำเป็นที่พักของคนไร้บ้านนะคะแต่ในอนาคตข้างหน้านะคะก็จะจัดโซนเฉพาะผู้หญิงเพื่อให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมุมมองข่าวในวันนี้นะคะและอีกข่าวหนึ่งนะคะที่จะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะคะก็คือญี่ปุ่นประกาศแผนการที่จะเตรียมส่งมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์ภายในปี2030นะคะ แต่ว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นจะร่วมปฏิบัติการสร้างสถานีอวกาศดาวเทียมที่โคจรรอบดวงจันทร์ในปี2025ค่ะการเดินทางนะคะไปยังดวงจันทร์นะคะก็ถือเป็นความพยายามของญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนะคะก็มีแผนการที่จะส่งนักบินอวกาศชาติตัวเองไปบนดวงจันทร์เช่นกันนะคะซึ่งก็รวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในรอบสัปดาห์ที่รายการมุมมองข่าวนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะและรายการมุมมองข่าววันนี้รายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังหมดลงแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย